สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ฟังยังคงจำกันได้ไหมคะว่าวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นมีความสำคัญอย่างไรเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นวันครบรอบ100ปีชาติการของท่านพุทธทาสพิกขุซึ่งองค์การศึกษาวิทยศาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติ หรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ท่านพุทธทาสภิขุเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี2549นี้นี้ด้วยค่ะนับได้ว่าเป็นพระภิกษสุสามัญชนในพุทธศาสนาองค์แรกที่ได้รับการยอมรับและยกย่องถึงแนวคิดของท่านในระดับนาน า, นาประเทศทีเดียวเพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระอริยสงฆ์ผู้มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงดิฉันจึงใคร่ขอหยิบยกประวัติชีวิตบางส่วนของท่านซึ่งนำมาจากบทความในวารสารพุทธธาตวิถีเรื่องย้อนราอยอดีตพุทธธาตพิขุกโดยคุณอรสีงามวิทยาพงศ์ซึ่งบทความนี้ได้กล่าวแนะนำองค์ท่านไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ค่ะ ไม่มีใครในเวลานั้นจะคาดคิดไปถึงว่าเด็กชายที่เรียกชื่อในเวลาต่อมาว่าเงื่อมนั้นจะเติบโตกลายเป็นมหาเถระผู้สืบแสงเทียนธรรมแห่งพระศาสนาที่กำลังอ่อนล้าให้มีพลังเจิดจ้าขึ้นอีกในยุคสมัยต่อมาในนามของพุทธทาสพิกขุ เรามาติดตามรับฟังเรื่องราวชีวิตของท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปพร้อมกันเลยนะคะปลายราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ขึ้น7ค่ำ เดือน7ปีมะเมียหรือวันที่27พฤษภาคม2449เด็กชายเงื่อมบุตรชายคนหัวปีของครอบครัวนายเสียงและนางเคลื่อนพานิษได้ถือกำเนิดขึ้นณนะบ้านตลาดภูมเรียงเมืองชัยยาเด็กชายเงื่อมมีน้องอีกสองคนคนรองเป็นชายชื่อยี่เกยพานิษ ซึ่งเติบใหญ่กลายเป็นคู่คิดผู้ร่วมอุดมคติแห่งการจันลงพระศาสนาร่วมกับพี่ชายในนามธรรมธาตุและน้องสุดท้องเป็นหญิงชื่อกิมซ้อยพาณิชย์เหมกุลพี่น้องทั้งสามคนใกล้ชิดสนิทสนมและเติบโตมาในครอบครัวที่เริ่มใสในพระพุทธศาสนามีวิถีชีวิตแบบชุมชนชนบททั่วไป เด็กชายเงื่อมได้รับอิทธิพลชื่นชอบการแต่งบทกวีและงานช่างไม้จากบิดาและได้รับการอบรมสั่งสอนจากมารดาให้เป็นคนที่ทำอะไรจะต้องทำให้ดีที่สุดและประหยัดละเอียดรอบคอบเมื่ออายุได้8ปีพ่อแม่ได้นำไปฝากให้รับการศึกษาเบื้องต้นแบบโบราณคือไปใช้ชีวิตเป็นเด็กวัดอยู่3ปี ที่วัดภูมเรียงเด็กชายเงื่อมได้เรียนรู้เรื่องการแพทย์โบราณการสวดมนต์ไหว้พระการอุปติถาพระงานช่างไม้ไปจนถึงการเริ่มหัดเรียนเขียนอ่านกอขอ ก, กาจนอายุ11ปีจึงมาเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนโพธิพิทยากรวัดเหนือหรือวัดโพธารามและต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเดียวกัน เมื่อบีดามาเปิดร้านค้าอีกร้านในตำบลตลาดจึงย้ายมาเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสารพีอุทิศบรรทึกของครูและครูใหญ่ในสมุดพกชั้นประถมศึกษาของเด็กชายเงื่อมบอกกล่าวการเล่าเรียนและอุปนิสัยของเด็กชายเงื่อมไว้เมื่อแรกเริ่มว่าประพฤติเป็นคนอยู่ปกติไม่ค่อยได้ท่าทางอยู่ข้างองอาจในเวลาทาการมักชักเพื่อนคุย มารยาทพอใช้ทำการงานสะอาดและสรุปในปลายปี